รู้สึกที่ฉันเก็บไว้นานแสนนานไม่ต้องการที่จะบอกให้เธอได้รู้เพราะฉันนั้นเข้าใจว่ามันเป็นไปไม่ได้จนมาถึงเมื่อวันที่เราต้องจากกัน ฉันต้องทบทวนดูใหม่เพราะรู้ว่าเธอต้องเจอคนอื่นอีกมากมายและเธอคงจะรักเขาฉันเลยต้อง ต้องพู้มันออกไปวัวาความจริงข้างในหัวใจรักเพียงแต่เธอนานเท่าไรที่เปลี่ยนจากแค่คนคุ้นเคยไม่รู้เลย ว่ามันเกิดขึ้นมาตอนไหนฉันรู้ก็แค่เพียงว่ามันเป็นไป ว่าเธอนั้นคือส่วนหนึ่งของหัวใจและเป็นไงถ้าขาดเธอฉันเลยต้องเงยคำนี้ไม่งานคงจะช้าไปฉันเลยต้องพู รักเพียงแต่เธอฉันเลยต้องเงินคำนี้ไม่งั้นคงจะช้าไป ฉันเลยต้องพูดมันออกไปบอกความจริงข้างในหัวใจฉันเลยต้องเหนื่คำนี้ไม่งานคงจะช้าไปฉันเลยต้อง อ, อว่าความจริงข้างในหัวใจรักเพียงแต่เธอ